กินเป็นก็คือรู้ว่ากินเพื่ออะไรหรือควรจะกินเพื่ออะไรนะโดยเพาะเรานักบวชเนี่ยนะไม่ว่าชายหรือหญิงเนี่ยเรากินเนี่ยนะก็เพื่อบารุงร่างกายให้มีสุขภาพดีนะเพื่อบำบัดความทุกข์ความทุกข์คืออะไรความหิวโหวยนะอย่างพวกเราตอนนี้ก็คงหิวกันแล้วนะเมื่อเช้าก็อาจจะเติมอะไรนิดหน่อยนะแต่ก็ยังไม่พอ เรยายบำบัดทุกขเวทนานะบำบัดทุกขเวทนาให้หายหิวแต่ว่าบางอย่างที่เราเติมเข้าไปเนี่ยเติมเข้าไปใส่ท้องแม้มันจะทําให้หายหิวนะแต่มันอาจจะเป็นโทษในระยะยาวนะหรือว่าอาจจะเป็นโทษนะทันทีที่เติมเข้าไปก็ได้เพราะว่าถ้าเติมเยอะไปนะกินเยอะไปมันก็จุกท้องมันก็แน่นท้อง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 สมองเราแล้วหัวใจมันแข็งเนี่ยอย่างนี้เป็นกันแล้วนะอายุสิบ2ดสิบสองเนี่ยก็เริ่มเป็นกันแล้วเนี่ยเพราะว่าเรากินตามใจปากมากไปกอย่างนี้เรากินไม่เป็นนะก็คือกินเพื่อความอร่อยนะเอาความอร่อยเนี่ยถ้าใครกินเพื่อความอร่อยอย่างนี้เรากินไม่เป็นเพราะว่าไอ้สิ่งที่กินเข้าไปนี่มันจะกลายเป็นโทษนะเป็นผลเสียกับร่างกายเราได้ กล้วป่วยเนี่ยจะเรียกว่ากินเป็นได้ยังไงนะไม่ว่าป่วยระยะสั้นหรือป่วยระยะยาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาฝึกนะฝึกการกินให้เป็นคือกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ดีคือมีสุขภาพนะไม่ใช่เพื่อนะให้ร่างกายมาันร่าสันจะได้อวดคนว่านี่ฉันนี่นะเป็นอ่าเป็นคนแข็งแรงนะเราไม่ได้กินเพื่อ อ, อวดนะไม่ได้อวด ด้วยร่างกายของเราหรือไม่ได้อวดว่าฉันร่ํารวยฉันกินของหรูเดีย่ยวนี้เราเลือกกินนะเลือกกินของที่มันแพงกินในติมเนี่ยต้องกินของเว้นเส้นต้องกินไอติมราคาแพงๆเนี่ยอันนี้ก็เลือกกินไม่เป็นนะเพราะว่ากินเพื่อสนองกินเลศแล้วก็อย่างสิ้นเปลืองด้วยใเวลาเราตับไป ตักอาหารเนี่ยพิจารณาก่อนนะหรือเตือนใจเราก่อนว่าที่กินนี่เพื่อสุขภาพเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ดีนะสามารถทำงานทำการต่างๆได้นะนั่นก็ต้องเลือกนะว่าจะกินอะไรนะบางคนนี่ตักแต่เนื้อนะตักแต่เนื้อนี่ผักไม่เอาเลยนะอันนี้เรียกว่ากินไม่ถูกกินไม่เป็นเอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้อง ความถูกต้องคืออะไรความถูกต้องคือร่างกายเราก็ต้องการเส้นใยอาหารด้วยนะซึ่งก็มันก็อยู่ในผักนะกินอาหารให้ครบหมู่ให้ครบหมวดนะห้าหมู่นะปโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินนะไม่ใช่กินแต่ไขมันกินแต่ปโปรตีนแต่ว่าอย่างอื่นไม่กินนะหรือว่ากินแต่เนื้อไม่กินผักนะอันนี้ก็ร่างกายเราก็ต้องการ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 โดยเน้นถึงสุขภาพนะไม่ได้กินเพราะว่ามันสวยไม่ได้กินเพราะว่ามันอร่อยอร่อยอันนี้ก็สําคัญอยู่นะแต่ว่าเอาไว้ทีหลังนะเป็นเรื่องรองถ้าเราเอาความอร่อยเป็นหลักนี่สุขภาพเราก็แย่เหมือนกันนะเพราะบางคนนกินแต่ขนมกินแต่ของหวานนะข้าวไม่กินอาหารไม่เอานะอย่างนี้เนี่ยจะมีสุขภาพดีได้ยังไงนะฉะ น, นต้องรู้จักเลือกนะ กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะอันนี้เรียกว่ า, ารู้จักเลือกคุณภาพของอาหารปริมาณก็สำคัญนะเลือกปริมาณคือว่าให้มันพอกินอย่าตักเกินตอนนี้หิวเนี่ยนะเห็นอะไรก็อยากกินเป็นหมดแต่พอกินไปได้สักห้านาที1ินาทีเนี่ยไอที่ตักมาเนี่ยเริ่มจะอยากจะไปทิ้งลวเพราะมันอิ่มละ กินไม่หมดนะตอนก่อนกินกับพอกินไปได้สักครึ่งหนึ่งเนี่ยนะความรู้สึกเราจะต่างกันนะลองสังเกตก่อนกินนี่โอ้เห็นอะไรก็อยากตักนะตักใหญ่ตักตักตักตักตักใสบาตักใส่จานนะแต่พอกินไปได้ห้าทีสมธิไอ้ความอยากมันหายไปแล้วนะลองสังเกตดูความอยากของเราไอ้ที่อยากกินขนมที่ตัไมาเยอะๆนี่ไม่อยากเอาแล้วนะ อยากจะไปไปไปแจกเพื่อนมากกว่านะอันนี้ก็ไม่ถูกนะเราต้องรู้จักนะกินพอประมาณกินพอประมาณอย่าตักเหลือนะเพราะมันจะกลายเป็นของเสียไปนะเสียดายของอันะออนี้นอกจากกินอะไรกินเท่าไหร่แล้วนะ ต้องพิจารณาเรื่องกินอย่างไรด้วยกินอย่างไรมาเข้ามากินอย่างมีสติกินอย่างมีสติอย่างมู ม, มาม <c oughs> อตอนที่เราเริ่มกินใหม่ๆนี่โอ้มันหิวเนี่ยของก็อร่อยๆทั้งนั้นก็กินใหญ่เลยในเรื่องมู ม, มามะระวังนั้นมันติดคอระวังน้มจะเคี้ยวไม่ละเอียดนะ ทำให้ท้องอืดได้กินอย่างมีสตินะก็คือว่าใจอย่าไปลอยคิดโน่นคิดนี่นะมันมีหลักนะเขาสอนวิดีบอกเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะเดินทีละก้าวอย่าเดินทีละหลายก้าวเดี๋ยวหกลม้มสะดุดขากินข้าวทีละคำนะคำนี่ก็พอดีปากนะ อ ย, อย่าไปเพ่ว่ากินทีเดวหลายคําทําทีละอย่างนะครับว่าเวลากินก็กินอย่พึ่งไปคิดอะไรนะอย่าพึ่งใจลอยนึกถึงวันกลับแล้วนึกถึงวันศึกแล้วนะนสิบสองเมษายนเสร็จแล้วจะไปไหนนะบวชแค่วันเดียวนึกถึงนึกวันศึกแล้วเนี่ยนะทำทีละอย่างนะทําทีลนะอย่ า, ยางเนี้แล้วมีสติที่จริงตั้งแต่อาบน้ําถูฟันนะเก็บที่นอนคลองจีวรใส่เสื้อผ้านะ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 แต่เขาศรัทธาเราก็ศรัทธาที่เรานะเป็นนักบวชนะนุ่งเหลืองห่มขาวเขาศรัทธาก็เลยอาหารมาให้ต้องขอบคุณเขานะสำนึกแต่บุญคุณของเขารวมทั้งคนอื่นด้วยเช่นชาวนาวชาวไร่นะแม้แต่ชาวสวนที่ทําให้เรามีข้าวมีผักแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยนะสัตว์ใหญ่ก็มีหนะ้าที่เขาสลัชีวิตใ ห, ให้เราเพื่อเป็นอาหาร ต้องขอบคุณเขานะไม่ใช่ว่าของแบบนี้มีเงินแล้วจะซื้อได้หรือว่าชี้นิ้วแล้วจะมีคนนามาให้เราต้องสำนึกในบุญคุณของสรรพสิ่งแล้วก็สรรพสัตว์รวมทั้งทุกคนที่ทำให้เรามีอาหารกินในวันนี้แล้วก็น้ำดื่มด้วยนะเมื่อเราสำนึกในบุญคุณแล้วเราจะได้รู้จักใช้ชิ้นร้อยมีประโยชน์มีคุณค่านะแล้วเพราเหว่ามันเป็นของที่เขาถวายด้วยศรัทธาเพราะนั้นเนี่ยเราก็อย่าบ่นนะ อย่บาบ่นว่าเอ้ยทำไมอาหารไม่อร่อยไม่ถูกปากนะเรามีกินนี่ก็โชคดีแล้วนะเขาให้ด้วยศรัทธาเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณเขานะแล้วก็ตอบแทนคุณด้วยการที่เรากินโดยไม่บน่นไม่โวยวายไม่ทีโพยทีภายแล้วก็ใช้ช่วงนี้เป็นประโยชน์นะในแต่ละวันแต่ละวันเช่นตั้งใจเรียนนะศึกษานะศึกษาสิ่งที่หลวงพ่อหลวงพี่แล้วก็อ่า คุณป้านะทั้งหลายเนี่ยหรือว่าคุณนาเนี่ยมาช่วยเรานะเราจะได้เรียนรู้สิ่งดีๆนะที่จะทำให้พ่อแม่มีความสุขมีความภาคม